ในพระไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยกแผ่นศิล า, ายกแผ่นศิลาแผ่นใหญ่มาวางพลางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผึ่งผ้าบางสกุลบนแผ่นศิลานี้ก็แปลว่าตากตากผ้าบนแผ่นหินบอกว่าในบรรดาการตากผ้าเนี่ยนะตากผ้าบนแผ่นหินแห้งเร็วกว่าเพื่อนเร ม, มาชอบตากผ้าบนแผ่นหินสมัยก่อนเลยนะสมัยที่ไปอยู่ที่ที่ถ้าแห่งหนึ่งเนี่ยมันจะ สักผ้าเสร็จว่าแผ่นหินนี่ตากแห้งเร็วที่สุดเนี่ยนะแห้งเร็วกว่าแขวนเยอะเพราะข้างล่างก็ร้อนข้างบนก็ร้อนแป๊บเดียวก็แห้งละต่อจากนั้นท่านชะดินอุรุเวลกสัส ป, ปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยล่วงราตรีนั้นคันถึงแล้วก็กราบทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมาหาสมณพระต า, านี้เสร็จแล้วเอ๊ก็เห็นสถานที่มันแปลกไป เพระเหตุไรเนะาะมหาสมณะเมื่อก่อนสะในที่นี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มีสะอยู่ณที่นี้เมื่อก่อนศิลาแผ่นนี้ก็ไม่มีวางอยู่ใครเนาะยกศิลามาวางไว้เมื่อก่อนกิ่งกลุ่มบกต้นนี้ก็ไม่น้อมลงมาแต่เดี๋ยวนี้กิ่งใบนั้นก็น้อมลงมาเพราะอะไรเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะที่พระองค์คิดแล้วก็เท้าสกกะมาช่วยเหลือแล้วก็เทพพยาที่อยู่ที่ต้นต้นกลุ่มเหล่านั้นนะช่วยเหลือ โดยบอกว่ากขาบอกว่าศิลาแผ่นนี้อันผู้ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยได้ยกมาไว้นะพระองค์ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นาะยกมาก็ขนาดว่าแผ่นหินแผ่นใหญ่นะขนาดตากผ้าได้ก็ถือว่าแผ่นใหญ่มากเลยใหญ่กว่าสองสมโต๊ะเนี่ยมารวมๆกันนะ่ะครั้งนั้นชฉเดีนอุรุเวละกัสะปะก็ดำํำริว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเท้าส ก, กะจอมถวยเทพได้ทําการช่วยเหลือ เรามาเป็นวัยาวัชกรช่วยเหลือรับใช้เลยแต่ก็ไม่เป็นพาะอรหารเหมือนเราแน่สู้เราไม่ได้เนยเราเก่งกว่าทั้งเยอะอรัยงเงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสวยพัตตาหารของท่านชดินอุรุเวลกัสปะแล้วก็ประทับอยู่ณนไะพรสนตำบล น, นั้นมันก็จริงนะว่ า, วาเขาถือว่าไอความสะอาดความบริสุทธิ์เนี่ยมันถือด้วยข้อวัดเขาไม่เข้าใจว่ามรรคแดคืออะไร เขาไม่รู้ว่าการชําระล้างบาปเนี่ยมันต้องชําระด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ความเศร้ามองเป็นต้นจึงจะหลุดออกไปจากจิตใจได้เพราะฉะนั้นเขาเชื่อแต่เรื่องรูปธรรมแม้กระทั่งในโลกนี้ยุคนี้ก็เหมือนกันนะเขาถือน้ำนะเป็นเครื่องอย่างสมุติจะเข้ารีดลัทธิใดลัทธิหนึ่งก็ยังใช้น้ําอยู่เพื่อที่จะช่วยให้ให้ถึงความสะอาดถึงความบริสุทธิ์เนี่ยนะในยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่เขาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ํา แต่ศาสนาเราถือว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8ดนี่นะอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจเป็นต้นคันราตรีล่วงนั้นไปนี่นะราตรีผ่านไปรู้เวละกะสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านแล้วก็กราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะพัตฐ า, ารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนกัสปะท่านไปเธอเราจะตามไป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 ไปยังไงมายังไงทำไมมาถึงก่อนเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนกัสปะเราส่งท่านไปแล้วก็ไปเก็บผลว่ามาจากต้นว่าประจําชมพูทวีปแล้วก็มานั่งในโรงบูชาเพลิงนี้ก่อนดูก่อนท่านกัสปะต้นว่านี่แลสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรส ถ, ถ้าท่านต้องการก็บริโภคได้เนี่ยนะไปเก็บมาเนี่ยบริโภคสิ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 พระองค์เนี่ยส่งเรามาก่อนแล้วก็ยังเก็บผลว่าจากต้นว่าประจําชมพูทวีปแล้วมานั่งนะโ่รงบูชาเพลิงก่อนแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่เหะเหิหเนเดิน อ, อากาศได้ก็ไม่เชื่อว่าเป็นอรหันต์เหมือนตัวเนี่ยนะตัวนี้ทําอะไรก็ไม่ได้เลยได้แต่ย่างไฟมาแค่นั้นนะ่ะย่างไฟก็อาบน้ำถือว่าประเสริฐเลิศที่สุดเนี่ยนะคือจริงๆนะคนที่เชื่อรัที่เหล่านี้เชื่อเชื่อเอาเป็นเอาตายลยนะ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 บงคนที่เป็นลักษณะนี้มีมากเนยนะอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐุ ป, ปาทานเนี่ยนะยึดถือทิฏฐิยึดถือเอาความรู้ความเห็นของตัวนี้ยิ่งใหญ่มากทั้งๆ ท, ที่ความเห็นอันนั้นก็เป็นสังขารธรรมเนี่ย น, นะเป็นสังคตะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งคือน้อยคนมากที่จะเก็บเอาความคิดทุกความคิดของตัวเองมาวิจัยได้นีนว่าเออความคิดตัวนี้มันเกิดจากอะไรมันมีอะไรเป็นสมุทฐานคิดอย่างนี้แล้วมีอัสาธาอย่างไร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 ขันเป็นเหตุเกิดของทิฏฐิวิตกเป็นเหตุเกิดของทิฏฐิสัญญาเป็นเหตุเกิดแห่งทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะทิฏฐิเหล่านี้ก็มีเหตุเกิดแล้วก็ความดับของทิฏฐิก็ต้องดับด้วยโสดาปฏิมาต์และอัสาธาของทิฏฐิก็คือเนี่ยตัวเองก็สร้างแต่ความมั่นใจให้แก่ตัวเองขึ้นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองลาภสการะชื่อเสียงสรรเสริญยศสรรเสริญทั้งหลายก็จะระดมตามมาอันนี้คืออัสาธะความน่ายินดีความน่าเพลิดเพลินของเจ้าลัทธิ ถามว่าลัทธิเหล่านี้มีโทษอะไรเขบอกคติสองของเจ้าลัทธิทั้งหลายหรือคติสองของอผลของทิฐิก็คือนรกกับเดรฉานเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมปลาในน้ําจึงมากกว่าสัตว์บนบกทําไมสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บกเพราะสัตว์ทั้งหลายเชื่อว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ําเพราะคิดถึงน้ําก็คือสวรรค์ของเราเล ย, เลยแหละเฉะนั้นเวลาก่อนตัวเองจะตายใช่ไหมถ้าคิดถึงน้ําเกิดที่ไหนดีก็เกิดอยู่ในน้ํานี่ยทีนี้ถ้าเกิดในน้ําควรจะอยู่ในตําแหน่งอะไร ก็สุดแท้แต่ว่ากรรมที่ทําไว้จะอยู่ในฐานะไหนจะปีมือหลายๆมือหรือเปล่าเหมือนปลาหมึกไงใช่หรือว่าจะโอ้ยอะไรจะวิ จ, จิตเท่าสัตว์ใต้น้ำไม่มีอีกแล้วสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้น้านี่วิ จ, จิตพิสดารที่สุดเลยนะยิ่งทะเลลึกเท่าใดยิ่งวิ จ, จิตที่สุดขนาดนั้นเนี่ยนะพราะคนเชื่อเรื่องลัที่สายน้ํามากเชื่อเรื่องน้ํามากเพราะฉะนั้นเมื่อผูกพันกับ น, น้ําจิตใจครุ่นคิดกับน้ํา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 คันติเนี่ยนะทนอย่างเดียวมไม่ต้องทําอะไรหรอกไม่ต้องไปบอกพระองค์ไม่สอนเลยนะเห็นไหมพูดแบบแนะนําบอกกล่าวไม่ใช่หรอกลทัทธิของท่านเป็ น, ยงงนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พูดอะไรแต่คําเดียวก็เอาเธอเขาทำของเธอไปฉันก็อยู่ของฉันไปเนี่ยนะครั้งนั้นพระองค์ก็เสวยพัะตาหารของชดินอุรุเวลกัสปะแล้วก็ประทับอยู่ณไพรสนตําบล น, นั้นน่าจะเทศซะหน่อยนะแม่น่าจะสอนเขาหน่อยนะพระองค์เป็นกาลันยูบุคคล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 เสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ไปเก็บมะม่วงบ้างเก็บมะขามป้อมบ้างเก็บสมอบ้างในที่ไม่ไกลจากต้นว่าประจำชมพูทวีปบางทีก็ไปนอะน่นะไปพบดาวดึงไปเก็บดอกปริฉัตะกะเนี่นะต้นแครไฟล์มาประทับนั่งรอที่โรงบูชาเพลิงก่อนฉดินอุรุเวลกัสปะบางทีเนี่ยแวะไปดาวดึงแล้วกลับมาก่อนแล้วบงมั้นอุรุเวลกัสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่โรงบูชาเพลิงครั้นแล้วก็กราบทูลคํานี้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 จะก็ไม่เป็นพระอารหันต์เหมือนเราจะใหญ่ขนาดไหนเก่งขนาดไหนก็ไม่ใช่อรหันต์เหมือนเราเนี่ยนะก็คนนี่มันเอาเอามากขนาดนี้จริงๆนะพวกเจ้ารัที่พวกอะไรจะแก้ยากเท่ากับความเชื่อความรู้ความเห็นไม่มีอีกแล้วที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเข้าใจเนี่ยทัศนคติเนี่ยมันเป็นตัวที่รุนแรงแก้ยากที่สุดเนี่ยนะโดยสมัยนั้นแลเชเดินเหล่านั้นปรารถนาจะ บ, บำเรอไฟ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 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับอุรุเวลกัสปะว่าดูก่อนกัสปะพวกเชดินจงผาฟืนเถิดเชดินอุรุเวลกัสปะก็รกับพระพุทธดำรำรัดว่าข้าแต่พระมหาสมณะพวกเชดินจงผาฟืนกันเชดินทั้งหลายก็ผาฟืน500ร้อยท่อนคราวเดียวกนะันฟันภาพเดียวก็แทบได้500้อแล้วงั้นแป๊บเดียวเนี่ยนะครั้งนั้นเชดินอุรุเวลกัสปะ ก, สะก็คิดว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ถึงกับให้ชดินเนี่ยผ่าฟืนได้แต่ก็ไม่เป็นธาตุหันเหมือนเร า, า, นน เ, ราเนี่ยนะใเรานี่อารหันแต่ก็ผ่าฟื้นไม่แตกเนี่ยนะครั้งนั้นชดินปรารถนาจะบำเรอไฟแต่ก็ไม่อาจจะ ก, ก่อไฟให้ลุกขึ้นได้ชะดินก็คิดว่าเนี่ยไฟเนี่ยก่อไฟไม่ติดเนี่ยอนุภาพพระพุทธเจ้าแน่วางนั้นเถอะเสร็จแล้วก็อุรเวลกัสปะก็เข้าไปเฝ้านะพระ อ, องค์ก็ตรัสว่าดูก่อนกัสปะพวกชะดินจงก่อไฟให้ลุกเถิดพร้อมกับพระพุทธดำรัสนั่นแหละ เชเดนก็ก่อไฟให้ลุกทีเดียว5 0 0รอกองไนะเชเดนก็เลยคิดว่าโพระมหาส ม, มณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากให้ไฟลุกขึ้นได้แต่ก็ไม่เป็นผ้ารหันเหมือนเราเสร็จแล้วทีนี้พอติดไฟบูชาเพลิงเสร็จกิจหมดก็จะดับไฟนี่นะเพราะจะดับไฟเพราะว่าจะเก็บฟืนไว้บูชาเป็นต้นไม้วันหลังต่อก็ดับไฟไม่ได้อีกคิดว่าเออนี่อนุภาพของพระมหาส ม, มณะไม่ต้องสงสัย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 อย่างสมมติว่าคนมีตังก็เอาสตังเป็นเครื่องมั่นใจคนมีอะไรสักอย่างก็จะเอาสิ่งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องมั่นใจนี่เขาเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็เลยเอาแต่ความมั่นใจเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นอรหันต์เป็นความมั่นใจเนี่ยนะสมัยนั้นชะดินก็พากันดำลงในน้ํามุดลงไปเนี่ยนะแล้วก็ผุดขึ้นบ้างทั้งมุดลงทั้งผุดขึ้นในแม่น้ําเนรัญชาราในราตรีหนาวเฮมันตรดูพระพุทธเจ้าออกพรรษาแล้วพระองค์ก็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 แสดงว่าแปลงมา ก, มากเย็นจัดเนี่ยนะที่ไหนท่าน้ําค้างชุ่มชุ่มเนี่ยมันน้องๆน้ําฝนนี่แหละชุ่มมากเลยแหละทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เนรมิตกองไฟไว้ห้าร้อยกองสําหรับชดินเหล่านั้นขึ้นจากน้ําจะได้ผิงพอตัวเองมัวแต่อาบน้ํำล้างบาปท่ามกลางฤดูหนาวเน็บเนื้อเนี่ยนะจ ร, จ, รจริงเขาบอกว่าพวกอาบน้ํำล้างบาปนี่ก็หนาวเน็บพวกมุดหาปลาฤดูหนาวก็อย่างนี้แหละมันเย็นจริงๆเลยนะตื่นขึ้นมานีนสันก็หนาวนะนะ ทิ้งเสร็จแล้วก็มุดไปหาปลาต่อพวกคือคือมันพวกทําปานาติบาตก็เดือดร้อนพวกคดโกงเนี่ยนะไอการลักขโมยบางอย่างมันก็ต้องไปทนเย็นเหล่านั้นเหมือนกันนะบางทีเนี่ยอย่างพวกที่ทําบาปคือทุกจริตทุกข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทําสนุกสนุกหรอกตอนทําก็เดือดร้อนผลของการกระทําก็เดือดร้อนอย่างลักที่ทิฐิเหล่านี้เนี่ยนะตอนทําก็เดือดร้อนผลแห่งการกระทําต่อไปก็เดือดร้อนเนี่ยบาปมันก็ไม่ดีอย่างนี้แต่ว่าคนก็อดไม่ได้เนี่ย เพราะอะไรเพราะว่าใจสั่งสมบาปมานานเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเศ้ามองมานานแล้วนั้นพระองค์ก็สงสารเนี่ยนะโอยหนาวเน็บขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่จุดไฟไว้รอเนี่ยน่าจะช็อกกันตายหมดเลยเพระองค์ก็เลยเนรมิตกองไฟไว้เลย500กองให้เชเดนเหล่านั้นก็มีความคิดเหมือนกันว่าข้อที่กองไฟใหญ่เหล่านี้ถูกเนรมิตเอาไว้นั้นคงต้องเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะไม่ต้องสงสัยเลยลูกศิษย์นี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าหมดแล้ว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 ครั้งนั้นชดีนอโรเวละกัสปะก็มีความนําเรว่าพระมหาสมณะเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงกับเนรมิตกองไฟใหญ่ได้มากมายเท่านี้แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราเนี่ยนะเรานี่ลูกศิษย์หนาวแทบตายก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็เป็นอรหันต์ก็แล้วกันในสมัยนั้นแหละเมฆใหญ่ในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูการเนี่ยนะไม่ใช่ฤดูฝนฝนก็ตกลงมาคิดว่าปลายหนาวต้นร้อนเนี่ยมีมีฝนช่วงนั้นเนี่ยถือว่าฝนหนักมาก น้ำใหญ่ก็ได้ไหลนองไปประเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ขณะนั้นถูกน้ําท่วมเออเนี่ยนะแถวแถวกุมภามีนาเนี่ยน้ําท่วมเอาสิพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดําริว่าชไหนเนาะเราพึงบันดาลให้น้ําเนี่ยอขออภัยไม่ถึงนะประมาณแถวแถวท่านน่าจะเป็นแถวมกราหรือธันวามกราช่วงช่วงเนี้ยแต่คิดว่าประมาณมกรามาฆ่าบูชานี่มันเป็นเดือนไหนนะกุมภาใช่ไหมกุมภาเนี่ยช่วงนี้ประมาณมกรา พราฝนตกน้ำท่วมเหกันเถอะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดำเร ว, ว่าชะไหนอนเราพึงบันดาลให้น้ำออกห่างไปโดยรอบเหมงนนให้ให้พื้นที่บริเวณที่พระองค์อยู่ไม่มีน้ำเลยเหมือนกับติดกำแพงไว้เรียบร้อยเลยกำแพงแก้วเหนนะเสร็จแล้วพระองค์ก็จงกรมอยู่บนภาค พ, พื้นที่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นในตอนในตอนกลางเนี่ยเดินจนฝุ่นคลุ้งหมดอ่ะนะ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 พอไปเห็นเดินจงกรมฝุ่นฟุง้งขนาดนั้นก็บอกว่าข้าแต่มหาส ม, มณะท่านยังอยู่ที่นี่ดอกหรือพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าถูกละกัสปะเรายังอยู่ที่นี่เสร็จแล้วพระองค์ก็เหาะสู่เวหาดปรากฏอยู่ที่เรือว่า ง, งั้นเหมือนก็เดินขึ้นไปขึ้นเรือธรรมดาเลยแหละเชเินุรุเวละกัสปะก็มีความคิดว่ามหาส ม, มณะนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้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 มีแต่ความมั่นใจอยู่ในใจเท่านั้นแหละแล้วใจที่มันมั่นนี่มันเป็นใจประเภทมิจฉาทิถีด้วยสิไม่ใช่ใจแบบสัมมาทิฏฐิอะไรโมฆะบุรุษนี้ได้มีความคิดอย่างนี้มานานแล้วว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราถ้ากระไรเราพึงให้ชะเดนนี้สลดใจพวกรู้แล้วว่านี่เป็นกาละได้เวลาอันสมควรแล้วเพราะว่าแสดงฤทธิ์มาเป็นพันแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วก็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 องพอบอกตรงๆเข้าอย่างนี้ว่าแปลว่าท่านกลวงวังกันเถอะไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยไม่มีอธิศีนธิจิตอธิปัญญาไม่มีการกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทัยทำนิโรธให้แจ้งไม่มีกิจคือการเจริญอริยมรรคไม่มีกิจที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรสักอย่าง อุรเวละกัสป่านี่ก็หมดสภาพเลยซบเสียนนะนะซบเสียนลงที่พระยุคลบบาทของพระผู้มีพระภาคเจา้าเรียกว่าซบหัวทูนแทบเท้าเลยงนั้นนะซบหัวแทบเท้าเลยนะพอพูดเข้าแค่นั้นนะหมดสภาพเลยนะนะครัว่าเป็นลูกปองลําพองมานานเพราะเอาเข็มอันเดียวจิ้มเข้าไปกันนะนะั้นหมดลมเลยนะแล้วก็เลยซุบเสียนอยู่แทบเทา้ากราบทูลขอบรนประชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจา้าว่าขอข้าพระพู้แต่เจ้าพึงได้บรนประชา เพิ่งได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะสลาโค้ยขอบวชแล้วว่าั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่ากัสปะท่านเนี่ยเป็นผู้นำผู้นำก็คือหัวหน้าเป็นนายกเนยนะเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชนิน500คนท่านจงบอกพวกนั้นก่อนพวกนั้นจัดทำตามที่เข้าใจเออจะบวชจะยังไงก็บอกลูกศิษย์ลูกหากันก่อนนะ ลำดับนั้นเชดินอุรุเวละกะัสปะก็เข้าไปหาเชดินเหล่านั้นแล้วก็แจ้งความประสงค์ต่อเชดินเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมมนณะท่านผู้เจริญทั้งหลายจงทําตามที่เข้าใจคือแล้วแต่ใจท่านท่านจะทํายังไงก็ช่างเถอะเรื่องของท่านแต่ข้าพเจ้าจะบวชละมันจะบวชในสำนักพระพุทธเจ้าแต่เชื่อนะว่าเชดินอรุเอรอุเวละกัสปะเคารพพระพุทธเจ้าตลอดใช้คําว่ามหาสมณะอยู่ตลอด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 ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่วิสัยพวกเชเดินนั้นก็กราบเรียนว่าพวกข้าพเจ้าเนี่ยใจจริงก็เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระมหาสัมณะมานานแล้วใจจริงก็เลื่อมใสามานานแล้วท่านครับถ้าท่านอาจารย์จักประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมมนณะพวกข้าพเจ้าทั้งหมดก็จักประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมมณะเหมือนกันอ้อาจารย์ยังเอาได้ข้าพเจ้าก็เอาเหมือนกันเลยต่อมาเชเดินเหล่านั้นก็ลอยผมเรียกว่าตัดผมลอยเลย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 พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดก็คือท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอุปนิสัยที่เป็นเอหีภิกขุอุปสมประธาแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายด้วยเนี่ยนะที่จริงพวกท่านเหล่านี้เป็นปัดชิมพระวิกษัตริย์สัตว์ที่อยู่ในภพสุดท้ายทั้งนั้นเลยแต่ขนาดนั้นแมมเจอมานะเข้าไว้ในยุ่งนะเจอทิฏฐิเจอมานะเข้าไปในยาก พระวาจานั้นแหลก็เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น